หลวงพ่อเองก็ให้คณะทัดทานญาติโยมลูกหลานที่มาสู่วัดก็มีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลห้าเป็นพื้นะแต่ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลก็ตั้งจัดตั้งจิตวิรัตเจตนาไปเลยแต่ผู้ที่ลูกหลานเขามาสู่วัดก็ควรจะมีพิธีการพิธีกรรมศาสนาพิธี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 อถึงจะตกลงแล้วก็ไปเปลี่ยนใหม่ก็ยังได้กลับมาทางนี้ก็ตกลงกับทางนี้ อ, อีกออแล้วก็กลับว่าศรัทธาญาติโยมทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหากลับมาถึงวัดเลยศรัทธาญาติโยมตองเขามากลับมานิมนต์ยากมากมายเลยเแล้วก็เ้วก็ตจะจําจะทํำยังไงล่ะทางนู้นเขาก็มีเหตุผลเพราะนั้น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 นีและเมื่อวานหลวพ่อไปกราบปรารถนากหลวงปู่ให้ท่านดูแต่ท่านก็ตัดสินใจเราก็ไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าท่านได้เป็นตามอัทยาสัยของท่านเมื่อท่านไม่ฟังเราไม่ฟังพวกเราแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ตามอัทยาสัยของท่านแต่ถึงยังไงเมื่อ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 แล้วไปอย่างนั้นเป็นยังไงแล้วไม่มีเครื่องออกสียเยนอีกต่างหากหลวงพ่อว่าโอ้มานึกดูแล้วเสียวเลยเสียวใจวใจ่างั้นะ่ะเอพอคือว่าลงตากลับแล้วกลับคือที่พักที่เก่าแล้วนะหลวงพ่อก็ยังคอยโล่งใจในช่วงนั้นไปว่าเตรียมรถอีกเหมือนกันนะเอจะออกมาเพื่อจะวิ่งตามไม่เป็นยังไงฮะนี่แหละอันนี้คือความเป็นห่วงของลูกทุกคนเป็นห่วงพ่อ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 พยาบาลจะขึ้นไปแล้วก็หล้มปุ๋ล้งตาก็จะได้นอนในรถตู้คันนั้น <c oughs> แล้วก็บันจุใส่รถเข้ามาถึงอุดร <c oughs> รถตู้ก็จะได้วิ่งลงจากเครื่องบินลํานั้นก็จะได้รับความสะดวกสบายลราพอคิดอย่างนั้น่ะที่แรกนะอพอพอที่สุดพอที่ไหนได้โอ้เป็นเครื่องบินเอขนรถก็จริงอยู่แต่พอขึ้นไปแล้วเขาก็เอายกหล้มตา